สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยิยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่8นะครับพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่8ข้อที่31จนถึงข้อที่53นะครับพี่น้องครับหัวข้อในเช้าวันนี้คําอธิษฐานที่ยาวที่สุดซึ่งจะพูดเจาะลึกเข้าไปในคําทูลขอ7ประการของกษัตตุลโมอน ที่ได้อธิษฐานขณะที่เขาหรือพระองค์ท่านได้ถวายพระวิหารพระนิเวศของพระเจ้าพี่น้องครับเราจะเริ่มมาตั้งแต่ข้อที่31นะครับเป็นคำอธิษฐานแรกหรือคำวิงวอนข้อแรกโปรดฟังโพชนะของพระเจ้าเมื่อชายคนใดกระทำบาปต่อเพื่อนบ้านของเขาหรือถูกบังคับให้ทําสัตว์สาบานและเขา มาให้คำสาบานต่อหน้าแท่นบูชาของพระองค์ในพระนิเวศนี้ขอพระองค์ทรงฉดดับในฟ้าสวรรค์และขอทรงกระทาและทรงพิพากษาผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์กล่าวโทษผู้กระทาความผิดและทรงนำความประพฤติของเขาให้กลับตกบนศีรษะของตัวเขาเองและขอทรงประกาศความบริสุทธิ์ของผู้ชอบธรรมสนองแก่เขาตามความชอบธรรมของเขา นี่เป็นประการแรกครับท่านได้อธิษฐานเผื่อใครก็ตามชายคนใดก็ตามที่ได้ทำบาปต่อเพื่อนบ้านแล้วก็ขอพระเจ้าได้ทรงดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมสนองความประพฤติให้กลับไปตกบนศีรษะของคนที่ทำความผิดและประกาศความยุติธรรมของผู้ชอบธรมนั่นคือประกาศแรกครับ เป็นคําทูลขอประการแรกก็คือขอเผื่อคนที่กระทําบาปคําทูลขอที่สองครับในข้อที่33จนถึงข้อที่34เมื่ออิสราเอลชนชาติของพระองค์พ่ายแพ้ต่อศัตรูเพราะเขาได้กระทําบาปต่อพระองค์ถ้าเขาหันกลับมาหาพระองค์อีกและยอมรับพระนามของพระองค์และอธิษฐานและกระทําการบิ่งวอนต่อพระองค์ในพระนิเวศนี้ ก็ขอโปร่งทรงสดับในฟ้าสวรรค์และประทานอาภัยแก่บาปของอิสราเอลชนชาติของพระองค์และขอทรงนำเขากลับมายังแผ่นดินซึ่งพระองค์ได้ทรงพระราชทานแก่บรรพบุตรของเขาทั้งหลายนั่นเป็นประการที่สองครับเป็นคำวิงวอนถุนขอประการที่สองก็คือเมื่อเขาพ่ายแพ้แล้วเขากลับใจครับ เขาสำนึกได้ว่าพวกเขาได้กระทํำบาปต่อพระเจ้ายอมรับพระ น, นามของพระองค์กลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งและอธิษฐานทําการวิงวอนต่อพระองค์พระเจ้าก็จะสดับฟังและจะทรงให้อภัยเขานําเขากลับมายังแผ่นดินที่พระเจ้าได้ประทานให้ประการที่3ครับก็พูดถึงเรื่องของฟ้าสวรรค์ที่ปิดและไม่มีฝน โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในข้อที่35จนถึงข้อที่36ครับเมื่อฟ้าสวรรค์ปิดอยู่และไม่มีฝนเพราะเขานั้งหลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ถ้าเขานั่งหลายได้อธิษฐานต่อสถานที่นี้และยอมรับพระนามของพระองค์และหันกลับเสียจากบาปทั้งหลายของเขาเมื่อพระองค์ทรงให้เขาทั้งหลายรับความทุกข์ใจก็ขอพระองค์ทรง ส, งสดับในฟ้าสวรรค์และขอทรงประทานอภัย บาปของผู้รับใช้ของพระองค์และของอิสราเอลประชากรของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสอนทางดีแก่เขาซึ่งเขาควรจะดำเนินและขอประทานฝนบนแผ่นดินของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้สรงพระราชทานแก่ชนชาติของพระองค์เป็นมรดกนั้นทียีครับเราเห็นนะครับเวลาฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเพราะว่าคนอิสราเอลทำบาปแต่เมื่อพวกเขาได้กลับใจอธิษฐาน สารภาพบาปหันจากความชั่วร้ายเมื่อเขามีความทุกข์ใจพระเจ้าจะสะดับฟังในฟ้าสวรรค์นั่นคือทางออกและเป็นทางที่ดีที่พวกเขาจะได้ฝนคืนจากพระเจ้าอันที่4ครับคำวิงอธิษฐานวิงวอนประการที่4ถ้ามีการกันดานอาหารในแผ่นดินถ้ามีโรคระบาดเข้ามารากินข้าว หรือตะกะั่แตนไวัยบินหรือตะกั่แตนไวัคลานหรือถ้าศัตรูของเขาทั้งหลายล้อมเมืองของเขาไว้รอบด้านจะเป็นภัยพิบัติอย่างไรหรือเป็นความเจ็บไข้ยอย่างไรมีขึ้นก็ดีไม่ว่าคําอธิษฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือคําวิงวอนประการใดซึ่งประชาชนคนใดหรืออิสราเอลประชากรของพระองค์ทั้งสิ้นทูลต่างก็สํานึกในใจของเขาเรื่องภัยพิบัติอันจะตกแก่เขาและได้กางมือของเขาสู่พระนิเวศนี้ ขอพระองค์ทรงฉดับในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และพระราชทานอภัยและทรงกระทำและทรงประทานแก่ทุกคนซึ่งพระองค์ทราบจิตใจตามการประพฤติทั้งสิ้นของเขาเพราะพระองค์คือพระองค์เท่านั้นที่ทรงทราบจิตใจของมนุษยชาติทั้งสิ้นเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ยำเกรงพระองค์ตลอดวันเวลาที่เขาทั้งหลายอาศัยในแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงประทานแก่บรรพบุรุษของก้าพระองค์ทั้งหลาย อันนี้ปรากฏอยู่ในข้อที่37กสิบ็นถึงข้อที่40นะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของการกันดานอาหารครับยามเกิดโรคระบาดยามที่ปลู ก, กเกษตรทำไร่ทำสวนทำนาแล้วไม่ได้พี่น้องครับนั่นเกิดขึ้นจากการที่พวกเขาได้หันและไม่สำนึกทำบาปพระเจ้าก็ได้ให้ ภัยพิบัติต่างๆจะเกิดขึ้นกับเขาอาจจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นภัยพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีแต่เมื่อถึงเวลาที่เขากลับใจใหม่พี่น้องครับคำอธิษฐานของโซโลมอนอธิษฐานเผื่อชนชาติอิสราเอลของเขาว่าขอพระเจ้าทรงสดับในฟ้าสวรรค์และประทานอภัยเพราะพระองค์ทรงทราบจิตใจการประพฤติของมนุษย์ทุกทุกคนเพื่ออะไรครับเพื่อว่า เขาทั้งหลายหรือมนุษย์นั้นจะได้ยำเกรงพระเจ้าตลอดวันเวลาที่เขาอยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่ในพันธสัญญาของพระองค์พี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีภัยพิบัติเกิดขึ้นหรือมีความอดอยากมีความการด้านอาหารทํามาหากินไม่ดีอะไรต่างๆหลายอย่างครับพี่น้องครับเป็นไปได้ครับที่เราทําบาปต่อพระเจ้าเราไม่ได้รักษาพันธสัญญาของ พระองค์ใครเรากลับใจใหม่ครับนั่นคือประการที่4ประการที่5ครับอยู่ในข้อที่41่สิบจนถึงข้อที่43ยิ่งกว่านั้นอีกเกี่ยวกับชนต่างด้าวผู้ซึ่งไม่ใช่อิสราเอลประชากรของพระองค์เมื่อเขามาจากประเทศเมืองไกลเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์เพราะเขาทั้งหลายได้ยินถึงพระนามใหญ่ยิ่งของพระองค์และถึงพระหัต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 และเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ทราบว่าพระนิเวศนี้ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้เขาเรียกกันด้วยพระนามของพระองค์ฟัง น, นครับนี่คือคําอธิษฐานประการที่5พูดถึงเรื่องของคนหรือชนต่างชาติหรือต่างเด้าครับโซโลมอนได้อธิษฐานเพื่อคนต่างชาติเพื่อที่เขาจะได้รู้จักพระนามของพระเจ้าเพื่อที่เขาจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระหัตย์อันทรงมหิทฤทธิ์ของพระเจ้าพระกรที่เหยียดออกที่จะช่วยพวกเขาพี่น้องครับคนต่างชาตินี้เขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับแต่โซโลมอนอธิษฐานเผื่อเขาเพื่อที่ให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้าเมื่อเขาอธิษฐานตรงต่อพระนิเวศนี้หมายถึงเมื่อคนต่างชาติอธิษฐานตรงต่อพระนิเวศนี้โซโลมอนก็ขอให้พระเจ้าได้ทรงประทานพระพรนะครับ เพื่อแผ่พระพรของพระเจ้านั้นไปถึงคนต่างชาด้วยนั่นคือการประกาศพระนามของพระเจ้าประกาศข่าวปเสริฐของพระเจ้า mm hmm. เทียบเท่ากับในสมัยนี้ครับ mm hmm. พี่น้องครับในเช้าวันนี้จะจบลงในข้ออาทิษฐานวิงวอนข้อนี้นะครับคือข้อที่5ทําให้เราเห็นถึงบทเรียนในเช้าวันนี้ mm hmm. ก็คือการทรงนําของพระเจ้าพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ที่จะนํา ให้โซโลมอนอธิษฐานครับอธิษฐานเผื่อคนที่ทําความผิดความบาปและตกอยู่ในสภาวะต่างๆครับไม่ว่าจะทําความผิดความบาปตกอยู่ในสภาวะที่อยู่ในความยากลำบากอยู่ในความทุกข์อยู่ในความแพ้แพ้ต่อศัตรูอยู่ในขณะที่พระเจ้าไม่ได้ประทานฝนฟ้าให้ตกต้องตามฤดูกาลทาหากินก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควร และมีหน้ำซ้ำยังมีการกันดานอาหารบางทีก็เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสไข้ครวนว่าหลายครั้งทีเดียวเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเรานั้นได้ทำบาปครับแล้วเราไม่ได้กลับใจแต่โซโลมอนกาลังบอกกับพี่น้องอิสราเอลของเขาว่าประชากรของเขาว่าเมื่อไรก็ตามที่ท่านได้รู้สึกว่าท่านได้ตกต่า จากสิ่งที่ท่านควรท่านได้มีน้อยกว่าสิ่งที่ท่านควรจะมีท่านอาจจะไม่ได้ไปถึงสิ่งที่ท่านควรจะเป็นควรจะได้หลายครั้งทีเดียวเพราะความบาปครับหลายครั้งทีเดียวเราไม่ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพียงพอเพราะเราทำบาปเราเจ็บแค่ได้ป่วยเพราะเราทำบาป หลายครั้งทีเดียวที่เราไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะเราทํำบาปความบาปนั้นเป็นอุปสรรคสําคัญครับแต่โซโลมอนบอกว่ามีทางออกกับแม้ว่าจะเจออุปสรรคสําคัญมีทางออกนั่นคือการกลับใจใหม่นั่นคือการสรารภาพบาปเมื่อสรารภาพบาปต่อพระนิเวศของพระเจ้าพระวิหารของพระองค์พันธสัญญาของพระเจ้าจะถูกลื้ฟื้นขึ้นมาทันทีครับพระเจ้าจะทรงโปรดยกโทษให้และพระเจ้าจะทรงสดับฟังและพระเจ้าจะพระราชทานให้ อิสรเอรวมทั้งพวกเราด้วยครับที่จะอยู่ในแผ่นดินโลกนี้อย่างมีความสุขและพระพรของพระเจ้ามากล้นจริงๆอาเมน